ยเรนพรท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่ต่อพ่ะพุทธศาสนา ต่อพระพุทธพระธรรมประสงค์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติจิตใจเพื่อพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นด้วยการสมาทานศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการถวายอาหารเก า, าหวานต่างๆการกระทำเหล่ า, า, า, านี้จะยกระดับจิตใจ ให้สูงขึ้นไปตามลำดับแล้วถ้าได้นั่งสมาธิได้เจริญวิปัสสนาจิตใจก็ยิ่งจะสูงขึ้นไปถึงระดับของพระอริยเจ้าการจะเป็นอะไรนี้อยู่ที่การกระทาของเราเองไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระสมสาวกทั้งหลาย ท่านก็ไม่สามารถเสกหรือเปลาให้เราเป็นอย่างที่เราอยากเป็นกันได้พวกเราจะเป็นอะไรนั้นอยู่ที่การกระทาของเราเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นได้เป็นเทพก็เป็นได้เป็นมนุษย์ก็เป็นได้เป็นเดรัจฉานก็เป็นได้เป็นเปรตเป็นนรกก็เป็นได้อยู่ที่การกระทำของเรา ถ้าเรารักษาศี่ห้าได้อย่างสม่ำเสมอเราก็จะเป็นมนุษย์เป็นเทพถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลห้าได้เราก็จะเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นนรกเพราะการกระทำนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปแตกต่างกันไป สัตวโลกทั้งหมดนี้มีจิตใจเหมือนกันจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของกุตตชนธรรมดาอย่างพวกเราหรือจิตใจของเดราาัจฉานก็เป็นจิตใจเหมือนกันต่างกันที่จิตใจนั้นคิดอย่างไรพูดอย่างไรทําอย่างไรถ้าคิดดีพูดดีทดําดีจิตใจนั้นก็จะสูง ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีจิตใจนั้นก็จะต่ำจิตใจจะสูงจะต่ำจึงไม่ได้อยู่กับใครแต่อยู่กับการกระทําของเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราคิดดีพูดดีทําดีอยู่เสมอเพราะจะทําให้จิตใจของพวกเรานั้นดีขึ้นไปตาม ได้ดีจนถึงขั้นสูงสุดได้อยู่ที่การคิดการพูดหน้าการกระทาความคิดของเราก็ต้องคิดให้ถูกตามความจริงถ้าเราคิดตรงกันข้ามกับความจริงเราก็จะคิดไม่ดีที่ท่านสอนว่าให้เราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเรานี่คือนี่คือความคิดหรือความเห็นที่จะพาให้เราคิดดีเพราะถ้าเรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเราจะได้ไม่ไปหลงแสวงหาสิ่งต่างต่างเหล่านั้น เหมือนอย่างที่พวกเรากําลังทำกันอยู่ในขณะนี้พวกเรายังแสวงหาสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่มีเกิดมีดับสิ่งที่มีเจริญมีเสือ่อมสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราแท้อย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่จะไม่เป็นของเราไปตลอดเช่นร่างกายของเรานี้ก็เป็นส่ว เป็นสมบัติของเราชื่ออายุของร่างกายชื่อเกิดแก่เจ็บตายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปเช่นเดียวกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของสามีภรรยาปุธิดาบิดามารดาปุยยะตายายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือร่างกายของทุกๆคนนี้ ไม่ได้เป็นสมบัติของใครทั้งนั้นเป็นสมบัติชั่วคราวที่ใจของแต่ละท่านได้มาไว้ครอบครองเป็นสมบัติดังนั้นเราเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนคือต้องรู้ความจริงของสิ่ ง, งตา่างๆในเร่องนี้ว่าเป็นอย่างไรมีอะไรที่เที่ยมแท้แน่นอน มีอะไรที่ไม่ใช่ของเราหรือเป็นของเราของต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแต่ของที่เราสร้างขึ้นมาในใจนี้จะเป็นของเราจะเป็นสมบัติของเราเช่นการให้ทานนี้ถ้าเราให้ไปเรื่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยไปถ้าเรารักษาศีลไปเรื่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยไป ถ้าเราสนใจฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยไปตายไปเกิดชาติหน้าก็ยังจะชอบทาบุญชอบรักษาศีลชอบฟังเทศฟังธรรมอันนี้แหละคือสมบัติของพวกเราและเป็นสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะจะทำให้จิตใจของเราสะอาดดีความทุกข์น้อยลงและมีความทุกข์หมดไป ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยเช่นจิตใจของพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบังเพนการให้ทานมาอย่างสม่ำเสมอ ร, รักษาศีลมาอย่างสม่ำเสมอศึกษาหาความรู้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญา ก็ทำให้เป็นสิ่งที่ติดนิสัยของพระพทธเจ้ามาพอมาได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธทาภ <c oughs> ิก็มีความปรารถนาที่จะดำเนินสิ่งที่เคยได้ดำเนินมาก่อนคือทำทางรักษาศีลแล้วก็ออกบวชออกปฏิบัติธรรมจนในจนในที่สุด ก็ได้ตัดสรูเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือสมบัติที่จะไม่เสื่อไปจากใจของเราจะอยู่กับใจของเราไปถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆทอย่างไม่หยุดไม่ย่อนไม่เหมือนกับการทำงานทางโลกทำเท่าไหร่เนี่ยก็ตามพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปสิ่งที่หามาได้จากการทำงาน ก็หมดไปใจเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปได้ไม่สามารถเอายศถาบรรดาศักดิ์ไปได้ไม่สามารถเอาบริษัทบริวารสามีภรรยาบุตรที่ดาไปได้เพราะสมบัติอย่านี้เป็นสมบัติที่ไม่ใช่ของเราเอย่างแท้จริงเป็นสมบัติที่ไม่ เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดามีการเจริญมีการเสือ่อมนี่คือความเห็นที่เราควรที่จะสร้างให้เกิดขึ้นในใจเราพยายามคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมา เวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปหมายถึงสิ่งภายนอกใจสิ่งที่เราเอามากับใจเราก็คือนิสัยต่างๆที่เราเคยได้ทํามาถ้าเรามีนิสัยให้ทานนิสัยนั้นก็จะตามมามีนิสัยรักษาสิลก็จะตามมามีนิสัยฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะตามมา หรือในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีนิสัยชอบทำบาปทำกรรมชอบหาความสุขจากอบายามุขเช่นเล่นการพนันเสพสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนสิ่งเหล่านี้ก็จะติดมากับใจเราอันรก็ตามที่เป็นการกระทาของเรามันจะติดมากับเรามันจะติดมาเป็นนิสัย อยู่ที่ว่าทำมากหรือทำน้อยทำนานหรือทำไม่นานถ้าทำมากทำนานมันก็จะฝังลึกเข้าไปในใจเวลาที่จะแก้จะเปลี่ยนก็จะยากแต่ถ้าทำมาแบบไม่มากไม่นานก็จะเปลี่ยนได้เช่นถ้าเราเคยทำบุญมาไม่มาก พอเรามาเกิดชาตินี้เราก็อาจจะไม่ได้ทำบุญก็ได้ถ้ามีคนมาชวนให้เราไปทำอย่างอื่นไปเล่นการพนันไปเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นในทางตรงข้ามถ้าเราทำมามากจนติดเป็นนิสัยลึกเข้าไปในใจของเราต่อให้ใครมาชวนให้เราไปทำอย่างอื่นเราก็จะไม่ไปเพราะเรามีความสุขกับการทำบุญ เราก็อยากจะทำบุญต่อไปดังนั้นเราจะควรที่จะปลูกฝังนิสัยที่ดีให้มีอยู่ในใจของเราให้มากมากเพราะนิสัยที่ดีต่างๆเหล่านี้จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญพาให้เราได้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายต่างๆคนที่มา วัดได้นี้ก็ต่างกับคนที่ไม่มาวัดคนที่มาวัดแล้วอยู่ค้างคืนได้ก็ต่างกับคนที่ไม่ได้อยู่ค้างคืนคนที่อยู่วัดเป็นประจำเลยก็ต่างกับคนที่มาอยู่วัดชั่วคราวนี่ก็เป็นเพราะว่านิสัยของแต่ละคนที่ทำมาในอดีตนั้นมีไม่เท่ากันนั่นเอง ถ้าเราอยากจะมีนิสัยดีเช่นปีนิสัยแบบของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพยายามยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพรอพุทธเจ้าทรงทำบุญให้ทานทรงรักษาศีลเราก็ต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติธรรมออกจากวังไปอยู่ในป่าเราก็ต้องทำอย่างนั้น ถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรานี่เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าทุกคนนี้สามารถเป็นได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสาวกคือสามารถชำระใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อยู่ที่ความมุมานนะอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรอยู่ที่ความอดทนอยู่ที่ศรัทธา ความเชื่อว่าการกระทําตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้านี้เป็นการกระทําที่ถูกที่ดีที่จะทําให้ชีวิตจิตใจของเรามีความสุขมีความเจริญมากขึ้นไปตามลําดับนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ต่างกันนี้ก็ต่างกันที่การกระทําทของพวกเรา ถ้าเรากระทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันบางคนก็ทำบุญมากบางคนก็ทำบาปมากถ้าทำบาปมากก็มักจะไม่ชอบเข้าวัดถ้าชอบไปดื่มสุร า, ยาอย่าเมาเล่นการพนันนี่แสดงว่าชาติก่อนเคยทำอย่างนี้มามือนถึงติดเป็นนิสัยมาส่วนถ้าาชอบเข้าวัดชอบมาทำบุญ ก็มารักษาศีลนี่แสดงว่าชาติก่อนเคยได้ทำอย่างนี้มาก่อนจึงติดเป็นนิสัยมาดังนั้นเราควรที่จะสร้างนิสัยที่ดีแล้วพยายามทำลายหรือเลิกนิสัยที่ไม่ดีถ้าเรายังชอบดื่มสุราเราก็ควรที่จะเลิกถ้าเราชอบเที่ยวกลางคืน เราก็ควรจะเลิกถ้าเราชอบทำบาปทำกรรมชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายามงังเราก็ควรจะเลิกพยายามเลิกจะเลิกได้ง่ายหรือยากก็อยู่ที่การกระทำที่เราได้ทำมาว่าทำมามากหรือน้อยถ้าทำมามากก็จะเลิกยากหน่อย แต่ถ้าทำมาน้อยก็จะเลิกง่ายแต่ก็สามารถเลิกได้ด้วยกันทุกคนไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาเกิดเพราะว่าก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกท่านก็เคยทำบุญทำบาปมาเหมือนกับพวกเราได้ทำกันมาแต่ท่านได้ มีโอกาสได้ศึกษาหรือได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ที่สอนว่าการทำบาปนี้ไม่ดีเป็นโทษกับจิตใจการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจท่านก็เลยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเคยทำบาปก็เลิกทำบาปไม่เคยทำบุญก็จะทำบุญ เมื่อทำบุญไปพากมากแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วไม่ไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้ไปถึงขั้นสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พัฒนาไปได้ทั้งหมดนี้อยู่ที่การกระทาของเราอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดของเรา อยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่ความเห็นของเราถ้าเราเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปผลของบุญมีจริงคือผลของบุญก็คือสวรรค์ผลของบาป ก, ก็คือนรกถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะคิดแต่จะทําบุญจะไม่อยากจะทําบาปเมื่อเราคิดแล้วเราก็จะ พูดพูดพูดแต่เรื่องที่ไม่เป็นเป็นบาปคือเราจะพูดแต่ความจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำพูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีการกระทาของเราก็จะเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี นี่คือการที่เราจะคิดดีพูดดีทำดีเราต้องเชื่อว่าการคิดดีพูดดีทำดีดีเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราแล้วก็การคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นโทษกับชีวิตจิตใจของเราถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าทบาบา เราจะทําแต่บุญอย่างเดียวเมื่อทําไปแล้วเราก็จะเห็นผลขึ้นมาเห็นว่าการทําบุญนี้มีความสุขเวลาทําบาปแล้วมีความทุกข์ใจวุ่นวายใจไม่สบายใจเราเมื่อเราเห็นผลแล้วเราก็จะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆทําไปจนถึง ถึงจุดสูงสุดคือจุดที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ไปถึงตอนต้นเราก็เริ่มด้วยการทําบุญให้ทานมาวัดมารักษาศีลศีลห้าตอนต้นก็รักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้แล้วต่อไปก็จะรักษาศีลแปเพราะศีลแปนี้มีคุณค่ามากกว่าศีลห้าการรักษาศีลแปได้ จะทำให้จิตใจของเรามีความสงบมากขึ้นจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจะทำให้เราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นถ้าเรายังไม่สามารถรักษาสี่แปได้เรารักษาเพียงแต่เพียงแต่ศี่ห้าเวลาปฏิบัติธรรมเราจะมีอุปสรรคเช่นการรับประทานอาหาร เราก็ต้องรับประทานสามมือต้องรับประทานรู้อย่างก็จะเสียเวลากับการมาหาอาหารมารับประทานแล้วก็จะเป็นอุปสรรคเพราะเมื่อรับประทานอิ่มแล้วก็จะเกิดความง่วงนอนเกิดความขี้เกียจจะไม่อยากนั่งสมาธิจะไม่อยากเดินจงกรมแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะสามารถ ที่จะตัดปัญหาเกี่ยวกับอาหารมเหย็ยนได้เพราะหลังจากเที่ยงไปแล้วไม่นานเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้เพราะจะไม่ง่วงนอนจะไม่ขี้เกียจ น, นี่ก็คือเรื่องของศีลห้ากับศีลแปมีความแตกต่างกันศีลห้า น, นี้สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมได้ ถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องถือศีลแปเพราะศีลแปจะช่วยทำให้การนั่งสมาธินี้ง่ายง่ายขึ้นเพราะเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่ถือศีลห้านี่ยังหาความสุขอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสคือยังดูหนังฟังเพลงได้ยังแต่งเนื้อแต่งตัว ใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมต่างๆได้แล้วนอนก็นอนบนฟูกห น, า, หนาได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ผู้ที่ถือศีลแตกนี้ทำไม่ได้เวลานอนก็ต้องนอนกับพื้นปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อเวลาแล้วก็ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ได้หาความสุขจากการรับประทานอาหาร ไม่ได้ให้รับประทานอาหารเพื่อเป็นยารักษาร่างกายเท่านั้นรับประทานเพียงครึ่งเพียงเที่ยงวันก็พอต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็ไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสดใสต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงไม่ให้หาความสุขจากเครื่องบันเทิงทั้งหลาย ใมาหาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วถ้าจิตใจสงบได้จะเห็นว่าไม่มีความสุขอันใดจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ<ม>นี้นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่จะอยู่ติดไปกับเรา เป็นความสุขที่เราไม่ต้องอาศัยสิ่ง อ, อื่นๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเราหาความสุขจากสิ่ง อ, อื่นๆเช่นจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยบำรุงบำเรออยู่เรื่อยเช่นมีขนมนไว้รับประทานมีเครื่องดื่มไว้ดื่มมีภาพประโยชน์ไว้ดูมีเพลงไว้ฟัง ถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ยศที่ที่ไม่ไม่ยั่งยืนสุขในขณะที่ได้ฟังพอไม่ได้ฟังไม่ได้สัมผัสแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเวเศงเ่าซ้อยหงอยหงามไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบถึงแม้จะอยู่คนเดียวก็จะไม่รู้สึกว่าเองไม่รู้สึกเศร้าซ้อยหงอยหงอย ไม่มีความอยากที่จะมีเพื่อนหรืออยากจะมีคู่ครองเพราะเห็นว่าการมีคู่ครองนี้แทนที่จะเป็นความสุขกลับเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะว่าคู่ครองของเราเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะดีกับเราไปเสมอไปหรือไม่บางเวลาถ้าเกิดเขาไม่ดีกับเรา เราก็จะต้องเสียใจเราก็จะต้องทุกข์ใจแต่ถ้าเขาดีกับเราเราก็โชคดีไปชั่วคราวเช่นเดียวกับความสุขอย่างเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่แน่นอนมีมางมีบ้างไม่มีบ้างเวลาได้ดูก็มีความสุขเวลาไม่ได้ดูก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เราสามารถมีได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีทาให้ใจของเราสงบเท่นั้นดังนั้นเราจึงควรหันมาหาความสุขภายในตัวเราดีกว่าความสุขที่เกิดจากการทาใจของเราให้สงบอันนี้แลจะเป็นความสุขที่แท้จริง และเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราจะติดตัวไปกับเราไม่ว่าเราจะไปไหนตายจากชาตินี้ไปความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ก็จะติดตามไปด้วยทำให้เราไปเกิดในสุคติเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมและเกิดเป็นพระอริยเจ้าตามลาดับจนกระทั่งถึงขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระพุทธเจ้า นี่แหละคือสมบัติที่พวกเราควรที่จะแสวงหากันอย่าไปแสวงหาสมบัติที่ไม่เที่ยงที่ไม่ใช่เป็นของเราเช่นลาบยศจระเสริญสุทางตาหูจมูกลิ้นกายขอให้เราหันมาหาความสุขจากการทำดีคิดดีพูดดีทำดีเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตใจของเราจะได้พบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและปัสสาวกทั้งหลายยกย่องสรรเสริญว่าเป็นความสุขที่ดีที่สุดไม่มีความสุขใดที่จะดีเท่ากับความสุขอันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะสามารถได้มาเป็นสมบัติของเรา ถ้าเราปฏิบัติต่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อมีความอดทนมีวิริยะความหมั่นเพียร ท, ที่พยายามจะปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วผลอันดีอนันเลิศนี้ก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณกระสีะนนรัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบอกเพ่นกันในวันนี้จบเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแถวร้าป ล, ลาดอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยท่หน้ากาันเทอ